พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11อกรกฎาคม2555หมีชื่อเรื่องว่าจงทำงานด้วยปัญญาวันนี้เป็นวันที่ส1อ กรกฎาคมพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน7พวกเราในฐานะเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าของสถานที่พระองค์เสด็จมาตามอัธยาใส่เป็นส่วนพระองค์พวกเราก็ยินดี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 แล้วทูลอีกท่านก็ยังภาระกิจของท่านมากมายอันนี้ท่านปลีกตัวออกมาเยี่ยมเยียนวัดของเราหรือว่ากลุ่มของเราถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะนั่นให้พวกเราช่วยๆกันคนละไม้คนละมืออันไหนจะเกิดประโยชน์ต้องฝ่ายพระสง์ก็ช่วยๆกันดูต้องฝ่ายท้งครัวครัวได้หละ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 ก็จะต้องบอกหาผู้ที่มารวมแต่อย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าว่าขาดตกบกพร่องก็จัดว่าประเภทว่าโง่อีกเหมือนกันโง่ตั้งแต่หลวงพ่ออินลงไปเพราะเหตอะไรเพราะว่าเราไม่เราไม่บอกกล่าวจุดไหนที่ควรจะขอร้องชุมชนกลุ่มไหนถ้ากำลังไม่พอก็เนี่ยตารวจทหารโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านกรรมนันอบพอตพร้อมที่จะเรียกร้องเขาเข้ามาทั้งหมดถ้าเรียกร้องมันได้กันเจ้านายเขามีปลัดอำเภออย่ององางอพอตอเราก็บอกใครไปบอกคนในวัดของเราก็มีตั้เยอะแยะไปขอร้องเข้ามาช่วยจุดนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าาว่าพวกเรารู้จักใช้คนน ไ, ไม่หนักหนาแล้วก็พร้อมกันก็บอก มอบให้อท่านหน่อยนะช่วย่วยประสานในเรื่องนี้จะให้แต่ทางในครัวประสานทีเดียวก็ไม่ได้ต้งฝ่ายพระก็ต้องช่วยกันประสานช่วยช่วยกันมองเหมือนกับ น, นกกระลางอยู่ในป่าอย่างนั้นน่ะนกกระลังมันอยู่ในป่ามันอยู่เป็นฝูงต่างคนก็ต่างมองถ้าเห็นพิษภัยมาทางไหนตัวที่เห็นก่อนมันก็ร้องอันนี้คงเหมือนกันนั่นแหละลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อ หลายคู่หลายคนใครมองเห็นมุมไหนที่จะเป็นประโยชน์มองไหนเป็นจะเป็นมงคลมองไหนที่มันจะเป็นหายนะมองมุมไหนที่มันจะไม่ดีต่อชุมชนและตุงๆุงของเราในการทำงานของเราเราก็บอกกล่าวกันนี่แหละท่านหลายหูหลายตามันก็ดีนะแต่ถ้าว่าหลายหูหลายตาแบบไม่ใส่ใจ ซื่อบือชาบ้าไปหลับหูหลับตาไปอันนั้นก็ถึงจะไหลหูหลตาก็หลงปู่ตื่นว่าหูกระเช้าหูก็ช้าหูหมอขหางตาก็ตาไม่สักตาไม่สางตาไม่ไผ่ไม่ไล่ไม่บงไปตาไม้อย่าอนก้นตาไม่คิดตาไม่อ่านเพียงแต่เป็นตาเฉยๆตาไม่เกิดสติตาไม่เกิดปัญญาหูก็หูไม่เกิดสติหูไม่เกิดปัญญา หูไม่ใช่เมื่อฟังได้ได้ยินแล้วมีเหตุมีผลอย่างไรถูกต้องอย่างไรผิดยังไงถูกอย่างไรถ้าหูมีปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหูไม่มีปัญญาก็อย่างว่านะเหมือนกับหูตะกาหูมอกขางหูก็เช้าหูกรช่าหูมอโลไปอย่างนั้นเราต้องมีหูเหมือนกันแต่ว่าหูนั้มันเป็นยังไงแต่ก็มีประโยชน์อยู่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 อันนี้ก็คือต้องใช้ปัญญาใช้ติใช้แนวความคิดร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วไม่ว่างานหนักงานเบาทะลุผ่านไปได้แต่ถ้าว่ า, เ, าเกี่ยงกันอิจฉากันแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกอย่างวานะถึงจะเป็นหมื่นเป็นแสนกเ็เป็นลุกสิษิ์ลูกหากเถอะ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 ไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรก็ถามหลวงพ่อบอกหลวงพอ่อหลวงพ่ออันไหนมันเกินไปหลวงพ่อก็จะบอกบอกเกินเกินไปคืออะไรนึงสั่งอาหารตามต่างประเทศเข้ามาเนี่ยอย่างเนี้ยเอบเกินฐานะวัดของเรานะ่ะลูกหลานหน้าหลวงพ่อก็จะบอกเอออาหารทั่ ว, วไปหลวงพ่อที่ได้สั่งมาแต่นี่เออเอาดูดูกันเนอะดูเลี้ยงให้ทั่วถึงกันเนอะ ให้เพียงพอกันเพ่อหลายคู่หลายคนพรแถวนี้ไม่มีร้านอาหารต้องอาศัยวัดของเราผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็ได้ให้อยู่ได้กินให้อิม่มให้เพียงพอเดเอหลวงพ่อก็จะบอกก็จะสอนถ้ามีความข้องใจถ้าไม่ข้องใจก็เอาทํามาเลยเหมือนเราเคยทํานั่นแหละดูแลปี่น้องลูกหล้านผู้ที่มารับ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 และพ้องกันพระเมื่อวานเนี่ยฟ้าผ่านะเมื่อลวานเนี่ยเราเห็นพระในายุ่งยิ่งยุ่งเหยิงขนาดทุ่มสองทุ่มยังมาดื่มน้ําฉันน้ํากันมั่วกันอยู่ตั้งวงกันอยู่เหมือนกับวงขี้เล่ามันดูไม่ได้เลยนะเราอยู่กับครูบาอาจารย์งานแล้วก็ว่างงานแต่พอเสร็จแล้วก็จบอฉันเพียงเท่านั้นแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกัน ยังไม่คํำก็แยกย้ายกันอันนี้เมื่อจนพอแรงใต้ไฟจุดไฟเต็มไปหมดขนาดอยู่ในห้องน้ำไม่มีคนก็จุดทิ้งไว้อย่างนั้นอนะ่ะไฟเราไปเห็นโรพระของเรารุ่นนี้ช่วงนี้นะรู้สึกมันไม่สบายใจพูดง่ายๆเราเป็นหัวหน้าเนเราเห็นแล้วไม่สบายใจพูดอย่างนั้นได้แต่ถ้าหาว่ามีกิจวุตะทำเสร็ดแล้วก็เออ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 อแต่ก็รู้จักจุดประสงค์ของหัวหน้าอย่างหลวงพ่อนหลวงพ่อมีจุดประสองค์อะไรแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะขี้แตนีทีเหนียวไม่ใช่มีอะไรหลวงพ่อกระสั่งมาเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายได้อยู่ได้ชันอันนี้พออยู่ชั้นกระ ท, ทิ้งทิ้งเกินเกินต้องโมงนั้นก้องตั้งโมงนี้เออไปที่ไหนเออในยงในย่ำ ม, มีแต่ของดูกอยู่ของกิน มั่ไปหมดจากแล้วก็ตั้งวงกันอีกไม่รู้วงไหนตัววงไหนเราดูไม่จืดมองแล้วไม่สบายใจกับหมูกับเพื่อนที่ทำลักษณะอย่างนี้พูดอย่างนั้นได้ตอเราอยู่กับครูใบาจานอยู่องค์หลวงตานะสมัยนะั้นที่ไม่ทำงานแล้วก็ทำงานเพราะฉันจบแล้วก็ปัดกวาดก่อนที่จะปัดกวาดแล้วก็บอกบอกหมู เพราะหมูอย่างนั้นก็น ม, นมีอยู่สิบกว่าองค์มีพระฝรั่งเราก็ทำงานเพียงองค์สององค์ทางานนอกเหนือที่ไม่ได้ทำงานไปไปทำกิจจวัตรข้อวัดแบ่งคันทาแบ่งกันออกไปเพราะหมูไม่มากไอ้พวกที่ทำกันสองสามองค์พอได้จับงัดไม้พอได้ทาถ้าไมท่ทำในช่วงนั้นก็มันก็มีงานก็ไม่เสร็จงานแต่ลงตาเท่าก็มาดูถ้าหากว่าท่านเห็นพระมาทำมั่วกันโดยที่ไม่มีกิจจวัตร ฟ้าผ่าลงตรงนั้นอีกเหมือนกันแต่ทึงยังไงก่อนค่ำปรมาณี่หโมงเย็นพบหมูปัดกวาดทำความสะอาดเสร็จแล้วขนน้ำเสร็จแล้วเลิกกันเก็บสิ่งของหยุดที่จะว่าสัง่งโกโก้ ก, กาแฟมาให้หมูพวกเพื่อนได้ฉันไม่มีโกโก้สมัยนั้นกับตรานางพยาบาลกระป๋องหนึ่งกระป๋องสี่เหลี่ยมสิบ้าบาทสมัยนะั้น ต่อมาถึง25บ้าบาทต่อมาสิบแต่ไมนะ่นั้นสบ้าบาทกระป๋องหลวงพ่อยังจําได้แต่หลวงตาไม่เคยสั่งโกโก้โ ก, โกาแฟไม่เคยแต่มันมีมาเท่าไหร่กับฉันเท่านั้นหมดแล้วก็คือหมดแต่หลวงพ่อเนะี่ยยังรับหน้าไปนะถ้ามันขาดเหลือภายในวัดจะตุปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่ออื้อการสงเคราะห์อนุเคราะห์ภายนอกหลวงพ่อยังสงเคราะห์ได้ช่วยลงล่ํำลงเรียนช่วยโรงพยาบาลหลวงพ่อยังให้ทางนอกไปได้ แต่จะซื้อสิ่งของมาให้พระได้อยู่ได้ฉันภายในวัดเนี่ยจะขี้เหนียวได้อย่างไรหลวงพ่อเขามาคิดจุดนี้เีกเหมือนกันอเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้สั่งเข้ามาแต่สั่งเข้ามาพระลืมตัวอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อคิดไปออกอีกเหมือนกันไม่รู้จะว่าอย่างไงถ้าจะให้หิวเหมือนกันเหมือนขาดตามใจขาดเมตตาของหลวงพอ่อถ้าสั่งเข้ามาฟุ่งเฟือเหลือเฟือ จะทำให้พระนี่หลงตัวลืมตัวไปอีกพอออกจากที่นี่ออกจากวัดนี้ก็เดินไม่เป็นไม่เป็นเดินเป็นไม่ไปไม่รู้จะเดินทางไงเพราะมันไปที่อื่นมันก็ไม่เหมือนอยู่ที่นี่เหรอผลที่สูดก็นั้นเสียหายพระอีกสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้คิดหมดไม่รู้จะเอาอยัางไงอีกเหมือนกันบางทีก็เรากดได้คิดอีกเหมือนกันนะถ้าเดินออกจากออกนอกลูก่นอกทางจากองค์หลวงตาไปแล้วเนี่ย มันน่าคิดเออสมัยสร้างกำแพงหลวงพ่อยังจไม่ลืมก็เทื่อนใจอยู่กระทั่งทุกวันนี่เพราะเหตุไรหลวงพ่อกคิดว่าอือพวกพระทั้งหลายควรจะไปกับชาวบ้านควรจะมีการประสานสมัมคกีกันเพราะเราอยู่ที่วัดป่าบ้านตาหลวงตาไม่ให้ยุ่งกับชาวบ้านเด็ดขาดเลยมีแต่โยมผู้ชายสองสามคนมาเลื่อยไม้ให้อย่างนั้นก็มีแต่พระไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาวบ้านคนใดก็ตามชาวบ้านจะไม่มาเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แต่พระจากนั้นทําเท่าไหร่ได้ก็ทําเท่านั้นท่านไม่ให้ยุ่งกับใครในหลวงพ่อเราออกมานี่ก็บางทีบางองค์ไม่ได้ใช้ความรอบคอบมันได้ใช้สติปัญญาคงจะประสานกับคู่คนไม่เป็นมากคนจะพูดกับคู่คนไม่เป็นควรจะมีการ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 วัดของตนเองจะใช้คนอย่างไงจะเรียกคนมาใช้อย่างไรจะบริหารคนอย่างไรในขณะที่ทาการทํางานก็คงจะกว้างขวางหลวงพ่อเอาทดลองออกจากแนวทางเละออกจากแนวทางหลวงตาพอออกจากแนวทางหลวงตาเห็นั้มวัดแตกเลยโอโ้ตายยุะ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 เพราะวัดนี้มันเกี่ยวข้องทั้งชาวบ้านด้วยทั้งพระด้วยเพราะนั้นต้องพูดให้เข้าใจกันว่าการปฏิบัติของพระนี่คือจุดประสงค์นั้นคืออะไรจุดมุ่งหมายของพระสงฆ์นั้นคืออะไรทางโลกอก็ให้อยู่แบบโลกทางธรรมก็ยังให้ยอยู่อย่างธรรมอย่าเหลื่อมล้ำกันอย่าก้าวไกลกันอถ้าหาว่าก้าวไกลกันหรือว่าไม่ล้ำเส้นกันแล้ว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 อย่างที่ผมจูกับองค์หลวงตาอย่างนั้นน่ะเหลวงตาหลวงตาเนี่ยเกินไปกระมังนี่เข้มขวดปวดการเกินไปพอออกจากวัดไปเราก่อนที่จะมาตั้งต้นใหม่เ อ, อ่ยเราเนี่ยเรามีความคิดอยูเออ่เราคิดว่าเรามีความคิดองค์หนึ่งนะในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเ อ, อ้คร่าว่าการบริหารการจัดการการดูแลการพูกกับคู่กับคนจะทํำยังไงเนี่ยเราพอจะมองออกได้ เพราเราเข้าไปอยู system, we line, it. It Kid, we land, we ่ใกล้องค์ลงตาเลยท่านทํากับกิริยาอย่างไรเร่องท่านแนะนาสั่งสอนคนอย่างไรท่านดูดาว่ากล่าวคนอย่างไรอย่างนี้เราก็สังเกตทุกอย่างอันนั้นคือแนวทางเราก็พยายามเดินตามแนวแถวที่ท่านพาดําเนินหรือพาท่านปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้เป๊ี้อย่างท่านของท่านลงตาเนี่ยถ้าจะความกลิ่งกลมของท่านเน่ยไม่มีเหลี่ยมเลยล่ะ เหมือนกับแก้วตาแมวอย่างนั้นนะกิ่งไปทางไหนได้แต่อยู่ในหลักธรรมที่ไหนแต่พวกเราเน่กว่าจะพิกได้แต่ละเหลี่ยมเนี่ยโอ้เหมือนกับไม้สองเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นที่พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังพูดให้พวกเราได้ฟังหูตาหูเมื่อได้ยินนคิดยังไงตาเมื่อได้เห็นนคิดยังไงอย่าเป็นตา ไม้ไผ่ตาไม้สักไม้สร้างตาไม้ไผ่ตาก็ต้องตาตาสุติตาปัญญาหูก็เหมือนกันหูสติหูปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังกันกรองไตรตรองเหตุและผลเมื่อได้เห็นและก็เหมือนกันวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดนะมาต่อเ น, นี้ไปนุมตนาให้พร